เส้นทางที่เราเดินลงมาเมื่อเช้านะตลอดทั้งวันมันเป็นเส้นทางเก่าทานชาวบ้านอย่างที่เราฟังเมื่อวานนะเป็นเส้นทางตั้งแต่สมัยโน้นต้องเป็นปออยู่แต่ว่าอาจจะเก่ากว่านั้นก็ได้นะเจ้าที่อุทยานีก็บอกเป็นเส้นทางแต่สมัยคลอมเลยนะสงสัยจะ เกินไปหน่อยนะน่าจะแค่สมัยเจ้าคุณปอเนะียอย่างมากแต่ก็เป็นเส้นทางใหม่นะสำหรับธรรมยานตาธรรมยานตาไม่เคยใช้เส้นทางนี้มาเลยทสิ่งที่พวกเราเห็นนะไม่ใช่ใหม่สําหรับพวกเราสักนั้นนะก็ใหม่ทศอธรามมาด้วยก็ถือว่าเป็นอันซีนอย่างหนึ่งได้นะสทศธรรมยานตา อย่างที่ได้เล่าไว้นเมื่อตอนเที่ยงว่าธรรมยตตาตั้งแต่เดินมาเริ่มตั้งแต่ปีสี่สามเนี่ยเราไม่ค่อยจะมีโอกาสภาวนานในป่าเท่าไหร่มีสองครั้งเท่านั้ น, นครั้งแรกก็คือปีห้าเจ็ดเราข้างแรงในป่าแล้วก็ช่วงเช้าจนถึงเที่ยง เราก็เปิดกายภาวนากันหลังเที่ยงยิงค่อยเดินขึ้นไปพาศิวิไลปีนี้เนี่ยเป็นขั้งล่าสุดนะที่เราได้มีโอกาสภาวนาในป่าแม้ว่าจะอยู่ร่วมกันเนี่ยนะสามร้อยกว่าชีวิต แต่ก็คงจะได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองนะไม่มากก็น้อยพีแม้กระทั่งการมาค้างแรมในทุงน่งนาอย่างตอนนี้ก็ไม่ได้ทำบ่อยนะดูเหมือนว่าครั้งแรกก็ทำเมื่อปีที่แล้วนี่เป็นครั้งที่สองที่เราได้ค้างแรมบนในทุงน่งนา ซึ่งก็บังเอิญ น, นะมันเป็นช่วงวันโกนนะใกล้วันพระชาติเภาพในยามค่ำคืนก็เึงสวยงามก็ไม่รู้ว่าธรรมยตัตนะิาในปีต่อๆไปเราจะได้มาพบเห็นบรรยากาศในะยามค่ำคืนนี้หรือเปล่าช่วงที่ จะมาได้เริ่มเดินนะตั้งแต่วันแรกคือเมื่อวานจนถึงเมื่อตอนใสายๆหรือตอนจริงๆก็ตอนเย็นๆเนี่ยของวันนี้เนี่ยก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของพื้นที่แถวนี้ ถ้าเส้นทางที่เราเดินลงมาเนี่ยก็คงไม่นานนะมันก็จะแปลสภาพไปเพราะว่าชาวบ้านก็ดีนะทางราชการก็ดีคงอยากจ ะ, ะปรับให้เป็นถนนที่สัญจรได้ง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้น อย่างน้อยๆก็อ่าทำทางรูปรังและต่อไปก็อาจจะลาดยางเหมือนกับเส้นทางที่เราเดินจากอ่าปลายท่ามาไฟมาจนถึงบ้านลาผักหนามแต่ก่อนนะมันก็เป็นทางรูปรัง ธรรมยาตาปีแล้วปีเล่าเดินผ่านเส้นถนนเส้นนั้นเนี่ยมันก็เป็นลูกลังถนนแดงแดงบางช่วงก็เดินประมาณบ่ายสองบ่ายสามแดดร้อนมากถนนแล้วก็พื้นที่สองข้างทางก็แดงไปด้วยฝุ่นลูกลังแต่ตอนนี้เราก็เดินสะดวกแล้ว ว่าหลายอย่างยังตังถึงสมัยที่เดินไปีแรกๆเราจากทางไปลูกลังแล้วนะก็ยังมีโทรศัพท์สาธารณะตู้โทรศัพท์สาธารณะนะวางตั้งอยู่ตามหมู่บ้านนะห <c oughs> นึ่งนี่ไม่เหลือแล้วเพราะสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือมันยังไม่เคยแพร่หลายเท่าไหร่ สมัยนั้นเนี่ยนะเวลาจะอัดเสียงบรรยายก็ต้องใช้เทปคาสเซ็ตน ะ, ะพวกรุ่รุ่นนี้นึกออกไหมเทปคาสเซ็ตนะี่ยเครื่องอัดเสียงนะนะคอมพิวเตอร์นะก็ยังใช้ f อ o p ิด Disk อยู่นึกออกไหมเคยเห็นหรือเปล่า f อ o p ิด Disk เนี่ยนะนะจุ ป, ประมาณ 1.4 MB งจ่ไมนะเดีย๋ยวนี้มันไปเท่าไหาร่ละ สาสิบหกกิกะเมั่อไงดูหนังก็ต้องใช้แผ่นซีดีนะยังไม่มีแผ่นดีวีดีบางทีต้องใช้อ่าเ้าเรียกว่าอะไรเทปเทปวิดีโอด้วยต้องใช้เครื่องวิดีโอสัญญาณตรนเน็ตไม่ต้องพูดถึงนะแต่มาถึงวันนี้เนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยโทรศรัพท์สาธารณะก็หายไปหมดลว แต่ต่อไปแผ่นซีดีก็คงจะสูญพันธุ์เพราะว่าคนไม่ค่อยใช้กันแล้วเรามีโทรศัพท์มือถือนะเรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเกิดจะตลอดพื้นที่นะของภูแลนคาเนี่ยยีกสิบปีข้างหน้านะมันก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงอีกเยอะ ต่อไปก็อาจจะเลิกใช้เงินสดกันแล้วรถยนต์นะที่ใช้น้ำมันนะก็คงจะหายไปเรื่อยๆพอเร า, าหันมาใช้รถไฟฟ้ากันหรือต่อไปก็ จ, จะมีรถอัที่ไร้คนขับดูเหมือนว่ามันไกลนะแต่ว่าจริงๆโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากใครจะนึกนะว่า ปีนี้เนี่ยธรรมยาตาเราจะใช้ดโดรนนะโอ้นึกไม่ถึงเลยนะใช้ดโดรนนะติดตามนะแล้วก็บันทึกภาพนะนะเมื่อตอนที่เราเดินธรรมยาตาปีแรกนี้นึกไม่นึกไม่ถึงนะมันจะมีดโดรนมันจะมีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนถ่ายรูปกันด้วยโทรศัพท์ไอโฟนบ้างไอแพดบ้าง โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะเป็นโลกซึ่งเด็กนักเรียนอย่างรุ่นอรุณหรือเพิ่มพัฒนานี่นะอาจจะนึกไม่ออกนะแต่เราก็มาถึงวันนี้แลวต่อไปมันก็คงจะเปลี่ยนแ ป, แปลงไปเรื่อยสิ่งที่เราเห็นว่าทันสมัยเป็นของทันสมัยวันนี้มันจะกลายเป็นของล้าสมัยอย่างรวดเร็วในวันหน้าแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่เรามาคิดว่า จะไม่มีวันล้าสมัยเลยนะก็คือป่าป่าเนี่ยมันมีบรรยากาศล้ำบันนะแต่ว่ามันจะไม่มีวันล้าสมัยมันจะยังเป็นที่ต้องการแล้วก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าโรคเรามนุษย์เราเนี่ยขาดป่าไม่ได้ยิ่งนับวันนะป่าก็จะยิ่งมีความสำคัญเพราะว่า ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศนะมันแสดงตัวชัดเจนแล้วก็นับวันเนี่ยเราก็ค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆว่าป่าหรือธรรมชาติเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรต่อมนุษย์นะไอ้ที่รู้กันตอนนี้เนี่ยนะยังยังรู้ไม่มากพอนะ มันจะยังมีความรู้นะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆืเมื่อประมาณสักกลางปีนะที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยนะได้มีโอกาสนะฟังการบรรยายของนักวิยาศาสตร์คนหนึ่งแกเป็นชาวโคลัมเบียโคลมเบียเนี่ยนะมันเป็นประเทศซึ่งอยู่มีปากเขตร้อนนะที่ติด ก, กับอเมซอนอเมซอนเนี่ยเราก็ทราบดีนะ ว่ามันครอบคุลพื้นที่หลายประเทศในลาตินอเมริกาโคลอมเบียนี่ก็นะก็มีปากก่าเขตร้อนนะซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นพื้นใหญ่ของแคมเปสอนนะจากแกก็ศึกษามาเรียกว่าสามสิบปีได้มั้งแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนาน า, นาชนิดทั้งดาวเทียมนะแล้วก็ใช้เครื่องบินไอพ่น แล้วแกก็พบนะว่าซึ่งมันเป็นการค้นพบที่เราจะรู้มาก่อนรู้มานานแล้วว่าป่านเนี่ยนะกับฝนเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรนะชาวบ้านก็รู้มานานแล้วว่าป่านเนี่ยนะมันเรียกฝนแต่ว่าก็มีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่แย้งว่า มันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าในททเรซาก็ยังมีฝนเลยมีฝนตกเลยนะหรือว่าในมาสุมก็ยังมีฝนตกเลยนะเพราะนั้นเขบอกว่าเนี่ยป่ากับฝนมันไม่เกี่ยวกันหรอกนะแต่มันพ้องกันแต่นักเทเรซาคนนี้เนี่ยแกก็สามารถจะคนพบหลักฐานที่ยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันมากเลยอย่างแรกที่แกพป้ก็คือว่าเหนือพื้นที่ป่าอเมซอนเนี่ย มันจะมีสิ่งที่แกเรียกว่าแม่น้ำลอยน้ำอัแม่น้ำลอยฟ้า f r o t i n river คือมันจะมีมันจะมีละอองน้ำที่หนาแน่นมากเนยอยู่เหนือผืนป่าอเมซอนแล้วก็มันก็จะเคลื่อนเลื่อนไหลนะไปตามทวีปอเมริกาใต้อันนี้เขาเขานะเาศึกษามานานจนพบ ว, ว่าเนียมันมีสิ่ง นี้เกิดขึ้นซึ่งเคิดว่ามันก็ไม่ใช่เฉพาะที่อเมซอนนะแต่ป่าเขตร้อนอื่นก็เหมือนกันมันจะมีนะแม่น้ำลอยฟ้านะที่อยู่อยู่เหนือป่าซึ่งช่วยทำให้พื้นที่ในป่าแล้วก็รอบป่าเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นและอย่างที่เขค้นพบคือว่าปกติเนี่ย ฝนมันจะตกได้เนี่ยมันต้องมีมันต้องมีละอองต้องมีฝุ่นละอองขึ้นไปให้ให้ให้ให้ให้หยดน้ําเนี่ยหรือว่ารองน้ํามันจับมันถึงจะตกมาเป็นฝนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่พบว่ามันมีมันมีอนูนะหรือมันมีฝุ่นละอองอยู่เหนือป่าอย่างอเมซอนแล้วมันตกได้ยังไงก็เพราะว่ามันมีอนูที่มันปล่อยออกมาจากต้นไม้นะ ซึ่งมันทําหน้าที่เหมือนกับเป็นเป็นฝุ่นให้หยดน้ําได้เกาะแล้วก็ตกลงมาอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่รเรียกว่าหนักแน่นที่ชี้ว่าป่านนะเนี่ยกับฝนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันมากเลยถ้ามีป่าก็มีฝนอันนี้ก็เป็นการค้นพบนะในภาคเรียกว่าอะไรในภาคภาคฟ้าหรือภาคอากาศ จากการค้นพบในภาพพื้นดินเนี่ยนะมันก็มีอีกเยอะที่เห็นว่าคนกับป่านี่หรือธรรมชาติเนี่ยมันแยกจากการไม่ออกเช่นก็พบว่าคนที่อาศั ย, ยอยู่ในพื้นที่ยูนรัศมีหนึ่งกิโเมตรรอบๆพื้นที่สีเขียวโดวยเฉพาะพื้นที่ป่าเนี่ยความเจ็บป่วย มันจะน้อยมากกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อื่นก็เพราะว่าโรคสิบห้าโรคที่คนสมัยใหม่เป็นกันเนี่ยนะมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมีหนึ่งกิโลเมตรรอบๆพื้นที่สีเขียวอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของฮอลแลนด์นะเช่นโรคโรคที่เป็นเงินมากเช่นโรคหัวใจ โรคเบาหวานไมเกรนนะโรคหอบหืดรวทั้งโรคซึมเศร้านะอยนนี้เป็นเงินเยอะแต่ว่าคนในพื้นที่รอบรอบพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แล้วเพบว่าคนเราเนี่ยนะเมื่อได้เห็นธรรมชาติเนี่ย สุขภาพจิตจะดีขึ้นแล้วก็ส่งผลทำให้กายนี่ดีขึ้นด้วย <c oughs> อย่างเช่นคนที่ผ่าตัดหัวใจเนี่ยเป็นผ่าตัดใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าได้พักฟื้นในห้องที่สามารถจะมองเห็นธรรมชาติต้นไม้ฟ้าเมฆหรือแม้แต่ติดภาพวิวทิวทัศน์เอาไว้เนี่ยนะ จะฟื้นตัวได้เร็วกว่านคนที่อยู่ในห้องที่มันไม่มีหรือไม่มีภาพธรรมชาติหรือไม่มีโอกาสได้เห็นธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ยังพบว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครียดจัดเนี่ยมันมีความเครียดช น, นิดหนึ่งนะที่เาเรียกว่า post traumatic traumatic s t r e s s o r d e r ก็คือความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์รุนแรงเช่นผ่านศึกสงครามมาหรือผ่านอุบัติเหตุรถยนต์ที่น่ากลัวหรือว่าผ่านเห็นการฆ่ากันนะการทำร้ายอยาชญากรรมหรือแม้กระทั่งผู้ที่ถูกข่มคืนเนี่ยซึ่งเป็นความเครียดที่รักษาได้ยากมาก แต่เขาบว่าเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปทำกิจกรรมในป่าเนี่ยมันช่วยเ ย, ออยียวยาจิตใจได้อันนี้เกาหลีใต้ก็มีก็มีโครงการเรียกว่าป่าบำบัดป่าบาบัดนะให้ค น, นไปทำกิจกรรมในป่าไปวาดรูปนะไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแม้กระทั่งเล่นโยคะทำกิกรรธรรมชาติ โดยาจะเคียบบัตรกวีไม่ต้องพูดถึงการทำสมาธิหรือภาวนามันช่วยได้นะช่วยบรรเทาได้ไอ้ทั้งหมดนี้มันชี้เห็นว่าใจและกายของคนเราเนี่ยนะมันมีความเชื่อมโยงกับป่ามากคือสามารถจะได้รับการเยียวยา นะเมื่ออยู่ท้ำกลางป่าหรือธรรมชาติโดยเพราะต้นไม้สายน้ำนะี่คือเหตุผล ท, ที่ว่าป่าเนี่ยนะมันจะไม่มีวันเป็นสิ่งล้าสมัยเลยแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีมากมายเพียงใดก็ตามคนจะขาดป่าไม่ได้เนะพราะจะขาดแล้วนีนะ่มันก็จะทำให้เกิด ความพิกลพิ ก, การหรือว่าเกิดปัญหาเกิดความเครียดเกิดความวิตกกงังวลเกิดการเจ็บป่วยสารพัดอย่างที่พูดเมื่อวานนะว่าคนเราเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยนะมันเป็นร่างกายที่ไม่ต่างจากคนเมื่อสอง0สนปีก่อนแล้วคนสอง0สนปีก่อนเนี่ยเขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเขาใช้ชีวิตที่ต้องใช้แรง นะเข้าป่าล่าสาัตว์แบกของหนักร่างกายเราเนี่ยถ้ามันถ้าเปลี่ยนมันก็รถนะมันก็เป็นรถที่เหมาะ ก, กับออฟโรดอ่ะนะเป็นรถกระบะนะที่ต้องเหมาะ ก, กับทางที่มันวิบากพอมาขับในเมืองนี่นะมันก็ จ, จะมีปัญหาทำนองเดียวกับเจ้ารถสปอร์ตเนี่ยมาขับบนเส้นทางแบบนี้ก็แย่เหมือนกันแล้วร่างกายคนเรา มันเหมาะกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแบบนียอย่างที่เราเห็นนะตอนนี้แล้วก็วิถีชีวิตที่ต้องมีการเดินมีการใช้แรงมีการแบกของมีการนะใช้แรงกายนะอันนี้พูดไปแล้วเมื่อวานนะแต่ที่สำคัญเนี้อคือการได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นสีเขียวนะมีธรรมชาตินะ แค่พอเอาคนเราเนี่ยไปอยู่สิ่งแวดล้อมอีกแบบห น, นึ่งนะเช่นป่าคอนกรีตนะก็ดูเหมือนสมัยใหม่ดูเหมือนพัฒนาแล้วก็ดูเหมือนว่าสบายแต่ว่ามันสบายชั่วประเดี๋ยวประดาวนะอยู่ไปนานๆก็ป่วยนโน่นป่วยนี่นะเพราะเป็นวิธีช่วยสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เข้ากับ ร่างกายมนุษย์นะอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะที่จริงไม่เข้ากับจิตใจคนเราด้วยมันไม่เข้ากับจิตใจของเราไม่ใช่แค่ว่ามันไม่เหมาะกับร่างกายคนเราเท่านั้นนะไอสิ่งแวดล้อมและชีวิตในเมืองเนี่ยแต่มันยังไม่เหมาะกับจิตใจของเราด้วยเพราะนั้นเนี่ยคนคนอยู่ในเมืองเนี่ยก็จะมีปัญหาร่างกายและจิตใจมาก จนก่อนจะได้ออกมาอยู่ท่ามกลาธรรมชาติมาใกล้ชิดแล้วก็เยียวยาที่จริงเนี่ยนะแม้กระทางการพัฒนาจิตของคนเราเนี่ยต้องอาศัยธรรมชาติช่วยไม่ใช่น้อยเลยธรรมชาติมันไม่ได้เหมาะกับไม่ใช่เพียงแค่ทำให้จิตใจเราผ่อนคลายเท่านั้น แต่มันยังสามารถจะเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของจิตใจมนุษย์ให้ถึงระดับสูงสุดได้อย่างนี้อย่างมีผู้เจ้าเนี้ยเป็นแบบอย่างแล้วก็ได้พูดมาหลายครั้งนะว่าต้นไม้หรือป่าเนี่ยนะมันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพุทธศาสนามาก ที่เห็นได้จากความสัมพันธ์ที่มีกับพุทธประวัติความเจริญงอกงามหรือการพัฒนาทางจิตในของเจ้าชายสุทธัตถะเนี่ยอันนี้ก็ราออาศัยธรรมชาติเราพวกเราคงทราบไนะว่าผู้เจ้าเนี่ยนะทรงบรรลุธรรมตัศนวสัวสมมา ส, สัมพุทธญาเนี่ย ใต้ต้นโพ ร, นะริอแม่น้ำเนรัญชราแล้วเราก็ได้เรียนรู้มาว่าเป็นพ่อพระองค์เนี่ยทรงนะบำเพ็ญบา ร, รมีสิบประการมาชาติแล้วชาติเล่าแล้วก็ทรงมีความเพียรได้เรียนรู้จากชีวิตนะที่ผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นการหมกมุ่นอยู่ในการสุ ข, ขาริการิโยคหรือว่าการทรมานตนอัตตากิลมะธังนิโยคแล้วก็ลงซึ่งจึงทรงค้นพบหรือเชื่อในเรื่องของทางสายกลางจึงนี้ออกมาเลิกการบําเพชนทุกขกรกคริยาแล้วก็เดินทางมาจนพบนตําบลอุรเวลาไส น, านิคมลิบแม่น้าเนรัญชลา แล้วก็ทรงบาเพ็ญเพียรในคืนวันเพ็นแล้วก็ตัดสรุแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยนะก็คือสิ่งแวดล้อมอันนี้ผู้เจ้าตัดเองนะผู้เจ้าตัดกับภาษาวกนะถึงเมื่อพระองค์ย้อนนึกย้อนไปไถสมัยที่พระองค์เนี่ยได้บาเพ็ญเพียร พงตัดว่าเนี่ยตอนที่ไปเจอนะสถานที่ตรงนั้นนะพ่อพงษก็ลมพึงในใจว่าเนะี่ยสถานที่นี้เป็นที่รมณีจริงหนอนไะพสนร่มลื่นน่าชื่นบานมีแม่น้ำนะมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำใสไหลยเย็นชายฝั่งข้าน้ำนะก็ราบเรียบโคจรคาม ก็มีโดยรกบโคจความนี่ก็หมายถึงที่บิดา บ, บาดสถานที่นี้เหมาะกับการบําเพ็ญเพียรจริงหนอแล้วพระองคตัดสินใจว่าเนี่ยที่นี่แหละนะั่ที่เราจะบําเพ็ญเพียรแล้วพระ ก, ก็ประทับนั่งตายตนโพแล้วก็ทําความเพียรแล้วก็ตัดสู้ในคืนนั้นนะ่ะก่อนสว่าง อันนี้สแสดงหเห็นนะว่าการตัดสรวมงเนี่ยนะต้องอาศัยธรรมชาติเนี่ยเป็นเครื่องช่วยเครื่องเกื้อกูลมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้แปลกใจที่พูะเจ้านะพ่อทรงตัดสรวมแล้วก็ทรงใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติการสแสดงธรรมที่เราปฐมเทศนาเนี่ยก็เกิดขึ้นในป่า แล้วก็อารามต่างๆอีกมากมายนะที่พระองค์ทรงประทับจาพรรษานี่ก็เป็นป่าหรือว่าร่มรือนด้วยต้นไม้ทั้งนั้นเวลาจะสอนพระแนะนำพระก็แนะนำให้นะไปปฏิบัติธรรมในป่านะนั่งโคลนไม้นะนั่งเรือนว่างนะนี่พระเจ้าจัดเนี่ยให้ ให้ไปเจริญนะสมาธิภาวนาในสถานที่เหล่านั้นแล้วก็มีพระสาวกนะหลายท่านที่ทำตามคำแนะนำของพูดเจ้าก็จาริกนะเข้าไปในป่าแล้วก็ภาวนาจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บางท่านเนี่ยนะ ท่านก็อุทานหรือหรือว่ากล่าวมาเป็นบทกวีนะเล่าถึงตอนที่ท่านได้ไปบาเพ็ญเพียในป่าอย่างึเหมือนจะเป็นท่านสุพูดมับอกว่าท่านแต่งเป็นท่านอุทานนะเป็นกวีแต่นะว่ายามใดณนะริมฝั่งทานใสมวลไม้น า, นานาพันบานสพัพพัง พิสูุนั่งบําเพ็ญฌานภาวนายามนั่นจงรู้ทว่าไม่มีอะไรที่เป็นสุขยิ่งกว่านี้หรือไม่มีอะไรที่สุขยิ่งกว่านี้นี่แสดงให้เห็นน้ว่าเนี่ยการเข้าไปบปําเพ็ญในป่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทรมานมันทําให้เกิดสุขนะเลยความสุขใจและความสุขใจนี่ไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินนะแต่เพื่อ น, นําไปสู่การ ภาวนานะเพื่อการพน้นทุกข์อย่างอีกท่านหนึ่งนะท่านชื่อเอกวิริหารเอกวิหาริยะนะเถระท่านก็พูดเป็นเล่า อ, อุทานเหมือนกันนะว่านยามเย็นนะสายลมพิ้วอ่อนทงยามสายลมเย็นพิ้วอ่อนกลิ่นหอมก็ะจร ไปทุกทิศฉันนั่งจิตสงบณริมผาจะเพียงกระจัดอวิชชาไปจากติดใจอันนี้ท่านนะสะท้อนถึงความรู้สึกนะเมื่อได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางสถานที่ที่ร่มรื่นเป็นรมมณีนะแลเอือดต่อการบรรลุธรรม เรอต่อการภาวนาเพื่อบรรลุธรรมฉนั้นป่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีความสําคัญต่อการหล่อเลี้ยงร่างกายของเรานะให้อยู่ได้ด้วยน้ําด้วยอากาศด้วยอาหารไม่เพียงแต่ช่วยเยียวยาจิตใจนะในยามเครียดไม่เพียงแต่ช่วยทําให้เรานะมีความสุข แต่มันยังเป็นสิ่งที่เกือ้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมด้วยฉั้นป่ากับธรรมะนี่มันจึงใกล้ชิดกันมากที่ธรรมยาตาปีนี้เราถูประเด็นว่ารักษา ป, ป่าคือรักษาธรรมเนี่ยเหตุผลนึ่งก็เพราะส่วนหนึ่งก็เพราะเหตุเท่นี้แหละคือถ้าเรารักษาป่าเนี่ยมันก็เท่ากับมีสถานที่เกือ้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมเราไม่เพียงแต่อาศัยป่า อาศัยความสงบสงัดของป่าเท่านั้นนะในการน้อมจใจให้เกิดอุูลต่อการภาวนาจ น, นเห็นธรรมแต่ว่าการพิจารณาธรรมชาติเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อคำเยนท่านพูดเอาไว้นะบอกว่าธรรมะเนี่ยก็คือตัวธรรมชาตินี่เองนะไม่ได้น้องเหนือจากธรรมชาติไปที่ไหน คนเราสามารถจะบรรลุธรรมได้จากการสังเกตธรรมชาติสังเกตธรรมชาติสังเกตเห็นนะความไม่เที่ยงของที่สะท้อนจากกระแสน้นำที่ไหลต่อเนื่องความไม่เที่ยงที่แสดงออกจากใบไม้ที่ร่วงหล่นหรือว่าความเป็นทุกข์รื้อทุกข์ขังเนี่ยที่มาแสดงออกจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป แม้กทั่งความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเรือตาตาก็เห็นจากธรรมชาตินะอย่างบางครูบาอาจารย์าท่านก็บอกว่าเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือไม่มีตัว ต, วตนนะเหมือนกับเหมือนกขปจันทร์ที่เราเห็นนะบนสาะน้ําเนี่ยผจร์จที่เราเห็นเนี่ยนะบนผิวน้ําเนี่ยนะมันดูเหมือนว่ามันมีผจ์อยู่ในนั้นนะ แต่ที่จริงไม่ใช่เราเอามือแหวกว่ายอยู่นับปัญญ์ก็หายไปอันนี้ก็หมายความว่าสิ่งต่างๆนี่นะมันมันไม่มีตัวตนของมันเองดูเหมือนมันมีนะแต่ว่านั่นเป็นแค่การรับรู้นะที่เกิดขึ้นในใจแต่ตัวตนของมันนะที่แท้จริงเนี่ยไม่มีนะ ก็เหมือนเงาเงาพระจันทร์นะในในสระน้ำอันนี้ก็เป็นธรรมะนะที่สามารถจะเห็นหรือประจักษ์ได้นะจากการที่เราได้พิจารณาหรือเพ่งพินิธรรมชาติไม่ใช่แค่อาศัยความสงบเพื่อมาดูกายและใจ เป็นธรรมชาติของการรู้ใจเท่านั้นนะแต่ว่าธรรมชาติเองก็สามารถแสดงทําให้เราเห็นท่านอาจารย์เวชชาจึงบอกว่าเนี่ยให้ให้ใหมันนะ่ะไปฟังเสียงต้นไม้พูดฟังธรรมจากก้อนหินบัางนะเพราะต้นไม้และก้อนหินก็สามารถสอนธรรมได้อันนี้ก็เหมือนกับหลวงปู่มั่นนะที่ท่านบรรลุธรรมในป่าลึกและท่านก็ บอกว่าเนี่ยธรรมะมีอยู่ทุกย่มย่าสำหรับคนที่มีปัญญาท่านพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามีสมเด็จพระราชานณะท่านหนึ่งนะซึ่งเคยไม่รึ่งเคยเค ย, เคยรังเกียจหลงปู่มั่นเพราะดูถูกเห็นว่าท่านไม่มีไม่ได้เลนสูง ความรู้เรื่องบาลีก็ไม่มีเรื่องประเิธรรมก็อ่อนเอาแต่จาริกอยู่ในป่าจะไปรู้ธรรมะได้ยังไงธรรมะมั่ต้องอ่านจากตำราอย่างตัวท่านเองนี่ก็จบนะเป็นประโยคเองอ่านประเรียนเอกท่านจะว่าธรรมะมั่ต้องเรียนจากหนังสือต้องอ่านตำราอ่านคำพี เห็นหลวงปู่มั่นเนี่ยเอาแต่จารึก อ, อยู่ในป่าจะรู้ธรรมะได้ยังไงแต่พอได้ฟังธรรมจากท่านก็เกิดความประทับใจก็เลยสงสัยว่าท่านรู้ธรรมะได้ยังไงหลวงปู่นั่นก็เลยตอบว่าเนี่ยธรรมะเนี่ยนะมันมีทุกหย่อมหญ้าสําหรับคนที่มีปัญญาเนี่นนธรรมะเนี่ยนะเราสามารถจะเรรู้ได้จากธรรมชาติ เรวรู้ใจจับป่าเพราะเห็นนี้เนี่ยถ้าเรารักษาป่าเอาไว้ไม่ใช่รักษาป่างเดียวแต่ว่าเราพาตัวเองเข้าไปอยู่ในป่าด้วยเราก็จะสามารถจะเห็นธรรมเรืออ่องง่าก็ทำให้จิตใจเราในสงบนะเกือ้อกูลต่อการเกิดธรรมะหรือไม่ธรรมะในใจอย่าง น, น้อยๆเนี่ยก็เกิดความอ่อนโยนเกิด ค, ความเมตตา นะเขาเคยมีการนะสแกนสมองนะของคนที่เห็นภาพธรรมชาติแล้วก็พบว่าเวลาคนเห็นภาพธรรมชาติเนี่ยไอ้สมองส่วนที่เกี่ยวความเมตตาเกี่ยวความเห็นอกเห็นใจเกี่ยวกับความเข้าใจความรู้สึกของผู้คนเนี่ยมันทำงาน อันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่อย่างนะที่ชีอเห็นว่าให้ธรรมชาติเนี่ยกับกุศลธรรมหรือความรู้สึกดีๆทนนี่เราเรียกว่าธรร ม, มะเนี่ยมันก็ก็เกี่ยวข้องกันมากมันเกื้อกูลกันนั่นถ้าเราอยากให้ธรร ม, มะเจริญงอกงาม ใ, ในใจนะั้นก็ส่วนหนึ่งก็พยายามนะเรียนรู้จากธรรมชาติพาตัว ไปอยู่ทำกลางธรรมชาติบ้างไม่เป็นไปต้องตลอดเวลาก็ได้แล้วอีกส่วนนึงก็เกิดจากการที่เราเนี่ยช่วยกช่วยกันรักษาธรรมชาติช่วยกันรักษาป่าอันนี้มันก็ทำให้ความแก่ตัวเราล ด, ลดน้อยลงเพราะว่าเราเกิดสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมเมื่อเราช่วยกับรักษาป่ายอมเหนื่อยยอมลำบากเพื่อ รักษาป่ารักษาธรรมชาติเอาไว้มันก็เป็นการลดความเห็นแก่ตัวแบบหนึ่งแล้วก็ปลุกเมตตากรุณาขึ้นในใจเราเป็นการพัฒนาขันติและวิริยะขึ้นมาปูกนิธรรมะทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราจะหาประโยชน์จากธรรมชาติด้วยการาไปสัมพัยพวามสงบส ง, งัดแต่ถึงเวลาธรรมชาติหรือป่าเนี่ยเดือดร้อนเรานิ่งเฉย ยิงดูได้อันนี้ก็เรียกว่าขาดความกระตัดอยู่ขาดเมตตาต้องออกไปนะต้องเข้าไปช่วยช่วยรักษาไว้ในด้านหนึ่งมันก็ทำให้ธรรมะในใจเราเงียบงามในอีกด้านหนึ่งมันก็ช่วยเป็นการสื่อต่อธรรมะให้กับคนรุ่นหลังให้เขามีสถานที่ที่เอื้อเกื้อนะต่อการจเจริญสมาธิภาวนาลุยปัสนาเอาละอ่า เย็นนี้ก็ค้านิ้วพุทธทนี้กระบพาะ้องกัน